ก็วันนี้เจ้าภาพจะถวายกุฏิใช่ไหมเจ้าภาพกุฏิจะถวายกุฏิฉันจังฮันเสร็จแล้วก็ไปถวายกุฏิไปที่กุฏิใหม่เราพระไปห้าองค์ไปมากไม่ได้แล้วล้นกุฏิ <laughs> กุฏิมันน้อยไม่มีที่นั่ง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 มีกุฏิพระอยู่ห้าหกหลังบริเวณนั้นแต่นีนขณะที่ท่านเสด็จพระอยู่ในถิ่นนั้นก็จะต้องแยกย้ายออกจากถิ่นนั้นเพราะอยู่ใกล้ตํนักเกินไปเพระที่วัดของเรา ก, กว้างขวางแต่นหลวงพ่อก็มาคิดว่าในเมื่อพระไม่ได้อยู่ในถิ่นนั้นห้าหกหลังก็ควรจะสร้าง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 แต่พวกเราศรัทธาญาติโยมมาจากต่างถิ่นต่างแดนคดนั้นก็เข้าไปคุณนี้ก็เข้าไปมันไม่ใช่ไปหมู่เดียวมันไปหลายหมู่เหลืหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะก็อมีเด็กพีผู้ใหญ่ไปเห็น <c oughs> แก้งเพ้ น, เ ห, นเห็นหมูปลาเห็นรลีงข้างบางชนีอะไรมก็โบกเวกโปรยววยไปตามที่เห็นพระสงฆ์ที่อยู่ต้องการความสงบอยู่ตามลำพังก่อนลคาญ หรือว่าไม่ได้รับความสงบจากผู้ที่เข้ามาผู้เข้าไปเพ่นพ่านในที่อยู่ของพระสงฆ์ปณันลมพ่อจึงประกาศห้ามมิให้เข้าไปเพ่นพ่านวุ่นวายในเขตสงฆ์เพราะพระสงฆ์ท่านเสียสละจากบ้านจากเรือนจากสกุลของท่านมาเพื่อภาวนาหาความสงบมาเขามาเจอความวุ่นวาย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 เตว่าต้องการความสงบในหมู่พระสงฆ์วันนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เจ้าภาพจะถวายกุฏิที่พักสงฆ์หลังหนึ่งหลังยอบย่อมหลวงพ่อก็ไม่ได้ให้ทำใหญ่หรอกแต่รู้สึกว่าจะทำทันสมัยขึ้นคำว่ <c oughs> าทาทันสมัยคำนี้ก็คือตะกรนหลวงพ่อสร้างกุฏิเหมือนกับอยู่วัดปาบ้านตาหลวงพ่อได้นำแนวแถวนั้น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 พวกเราไม่เด่ภาวนาไม่ได้มาภาวนากิจทุระภาระในบ้านมาไม่ได้พระสงฆ์อุบาสกผู้มาบําเพ็ญภาวนากรรมมาภาวนาที่กุติของเราถ้าท่านภาวนามาทำความสงบจิตใจของท่านสงบเป็นอัปปนาสมาธิหรือว่าเป็นสมาธิหรือว่าท่านเห็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาจิตใจของท่านเป็น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 ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยมันความหมั่นขยันหาเลี้ยงชีพด้ท า, ทางสุดจริตนี่แหละอันนี้คือคือครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านสอนเพราะฉะนั้นแนวความคิดอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายคณะจัทตาญายโยบุบาสกุบาศิกาทั้งหลายในเมื่อตัวเองพอที่จะช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ได้พอมีกําลังเราก็ทําไป แต่จะให้เดือดร้อนตนเองแต่ไม่ทําเสฉยไม่ถูกเพราะว่าเราเกิดมาเราเชื่อเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคนไหนที่สงเคราะห์อนุเคราะห์ทําบุญทําทานเกิดมาพบใดชาติใดคนนั้นจะไม่อดไม่อยากไปนักสถานที่ใดการทำมาค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองเพราะอเนกสงสิลอเนกสงทานเป็นพลังเอ่อเกื้อกูลหนุนเรา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 มีบาดมีจีวรมีผ้าสังฆาติมีสบงมีสายประคตมีกองเข็มมีมีดโกนนวดตัดเล็บมีไหมไม่เคยประภัยะไม่เคยขนวายไม่เคยทําบุญในเรื่องเหล่านี้เลยมีแต่ว่าบําเพ็ญอย่างเดียวคือมีอาหารมากก็กินกินแล้วเสร็จแล้วก็บําเพ็ญอย่างเดียวไม่ได้ขนวายเรื่องปัจจัยสี่เลยว่าอํานวยความสะดวกให้แก่พระสงฆ์ไม่เคยทําบุญทําทาน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 ท่าได้บริขารมาซะก่อนเธอจึงค่อยบวช เ, เธอจงไปเสาะแสวงหา บ, บริขารก่อนนะเธอจึงค่อยบวชตอนนี้พระพายะยท่านก่อเดินออกจากพระพุทธเจ้าใจของท่านได้สําเร็จเป็นพระาราหันแล้วนะท่านี้งแต่ว่าร่างกายหนึ่งเหมือนกับคนเราทั่วๆไปเนี่ยนะใครไม่รู้ว่าท่านเป็นพระหรหันแต่ใจของท่านเป็นพระหรหันนะท่านเดินออกมาก็กรรมเก่าอีกเหมือนกัน่ะกรรมเก่าในอดีตอไปทํา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 ก็เข้าใจอันนั้นเกิดประโยชน์มีประโยชน์กว่าที่จะฟังทั้งวันทั้งคืนอันนี้พระพายยะท่านได้ฟังหน่อยเดียวแต่ท่านได้สําเร็จเข้าใจในธรรมแต่ในสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเป็นพี่ชายของพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายให้นําสรีระของพายยะมาไปชุมเพลิงซะแล้วก็จัดสถูปขึ้นมาในทางสีแ่แผงให้คนได้กราบไหว้คือกระดูก ข, ของพระาธาตุของพระอระหรันต์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 ที่จะเกิดประโยชน์ทําไปแล้วไม่เกิดโทษทําไปแล้วเกิดประโยชน์ทําแล้วสบายใจสร้างไปแล้วสบายใจทําไปแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่นควรจะทําแต่ทําไม่ทําเราคิดมาเออเราไม่ได้ทําอะไรเลยก็ทําให้จิตใจของเราไม่สบายก็ยิ่งเมื่อข่าวทุกขับขันเก็บไข้ได้ป Ł ่วยเข้ามาแล้วเราละลึกถึงคุณงามความดีของเรา